ว่างจากอัคคติสายตาจําใสภาพใกล้ไกลจึงกระจ่างจะเดินก็ตรงทางเจอหลุมพรางก็ข้ามง่ายจิตไม่เบี้ยวบิดความคิดจึงเป็นกลางจะรู้ก็ตรงจริงพูดหรือนิ่งก็พลาดยาก อัคติเกิดขึ้นเพราะใจทึบทึบด้วยรักจึงคิดเข้าข้างทึบด้วยกโกรธจึงอยากกลั่นแกล้งทึบด้วยกลัวจึงจำพี่นอบพี่เทาเอาใจทึบด้วยขาวจึงหลงเห็นผิดเป็นชอบอัคติหายไปเพราะใจว่างว่างจากความหน้ามืดเพราะรัก ว่างจากความจุก อ, อกเพราะชังว่างจากความใจหดเพราะกลัวว่างจากความอับทึกเพราะเขาแม้ยังรักก็ไม่จำเป็นต้องเข้าข้างแม้ยังชังก็ไม่จำเป็นต้องกลั่นแกล้งแม้ยังกลัวก็ไม่จำเป็นต้องพินอศพิเทาเอาใจ แม้ยังเข่าก็ไม่จำเป็นต้องเห็นผิดเป็นชอบเพียงฝึกที่จะเป็นกลางตัดสินทุกสิ่งตามที่เป็นเห็นทุกคนตามที่ทำเป็นฝ่ายครอบงำอัคติไม่ปล่อยให้อัคติครอบงำตน